ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสกิลสูตรคือประสูรที่ว่าด้วยสเก็ดินก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและพระเทวทัต เพื่อควาคงนึกออกนะว่าปเทวทัตซึ่งเป็นลูกพี่น้องเขาเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพี่ชายของเจ้าหญิงยโสธราพิมพาซึ่งเป็นประชายาของเจ้าชายสิทธะในการต่อมาท่านออกบวช พร้อมด้วยสักยะวงศ์และกุลีวงศ์โทั้งหมดก็หกท่านก็เจ็ดทั้งอุบาลีซึ่งเป็นผุสามลาหลังจากผ่านการบวชไปเนี่ยตั้งแต่วเป็นเพียรจนได้บรรลุอภิญยาห้าประการคือสามารถแสดงฤทธิ์ได้ เป็นผลของรูปประชานสี่แต่พวกนี้เปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่าสนบกิเลสแบบสยบไว้เหมือนกับเอาศิลาไปทับหญ้าไวแต่ใต้ศิลามันก็มีหญ้าอยู่เพราะในการต่อมาท่านเกิดริษยาแข็งดีที่สืบเนื่องมาจากการ ประเมินตัวเองไว้สูงแล้วไม่ได้อย่างที่ท่านคิดว่าควรจะได้ครัร้งหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปที่เมืองไพยศาลีก็มีประชาชนเข้าเฝ้ากันมากแต่ละท่านก็สอบถามพระเทระที่ตัวรู้จักคุ้นเคย แล้วก็พระราชกุมารคราวนั้นที่ออกบวชด้วยกันหรือแม้แต่ท่านอุบาลีซึ่งเป็นผู้สามลาก็มีคนถามหาแล้วก็มาพบปะสนทนาอรัตนานิมนต์แต่ว่าเทวทั์ไม่มีใครสอบถามไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจ ก็เกิดประเมินตัวเองคือคิดว่าตัวเองก็เป็นกษัตริย์คนอื่นก็เป็นกษัตริย์ตัวเองเป็นภิกษุตัว อ, อื่นก็เป็นภิกษุซึ่เราสังเกตว่าการหลงประเด็นของมนุษย์เนี่ยบางทีมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเพราะในกรณีนี้เขามองความเป็นพระที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนนั้นส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็ต้องเป็นพระปฏิบัติบีปฏิบัติชอบเพราะพระก็มองกันที่สังฆคุณหรือไม่อย่างงั้นก็อย่างคนในสมัยปัจจุบันเนี่ก็ถือว่าก็ได้รับประโยชน์จากพระเหล่านั้น อาจจะบอกหวยอาจจะน้ำมนต์อาจจะแจกพระเครื่องอาจจะแจะกเหรียญอะไรต่างๆตลอดถึงสักถามตอบถามปัญหาต่างๆแล้วก็ท่านเองก็ต้องปฏิบัติ ด, ดีาตามหลักของสังฆคุณคนก็ให้ความเคารพนับถือตามโครงสร้างของสังฆคุณห้าข้อหลังยิ่งย่อนแตกต่างกัน แต่ประเด็นตรงนี้จะต้องเข้าใจว่าพระเองไม่ได้บวชเพื่ อ, อต้องการลาบสกการชื่อเสียงการยกย่องสเสริญหรือว่าการมีบริษัทบริวานห้อมล้อ ม, อ, มอะไรต่ต่างๆมันไม่ใช่เนื้อหาสาระเพราะพวกเหล่านี้ที่จริงมันปิดประตัวบายไม่ได้ เรามีภรกิจในการละในการสํารวมระวังในการคลายกิเลสแล้วก็ในการดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์นั่นคือเรื่องใหญ่เ พ, พระเทวทัตทัานประหลงประเด็นหลายหลายประเด็นคือไปมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระที่จริงเราไปที่ใดที่หนึ่งถ้าไม่มีคนรู้จักมันสบายนะ ที่เราสามารถจะอยู่เป็นอิสระเป็นนั่งอิสระเดินอย่างอิสระมองที่นั้นที่นี่อย่างอิสระเรคนรู้จักไม่ใช่สนุกอะ่ะคือจะไม่มีอิสระเลยมาเคยเจอหลายปีแลนะ้วก็ไปที่ท้องสนามหลวงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขาบูชาเมื่อก่อนนั่งกันอยู่สี่รูป คือเจ้าคุณสมเด็จตอนนั้นยังไม่เป็นสังฆราชและสมภารวัดมาธาตุคือท่านเจ้าคุณสุเมธาทิปดีตอนนั้นก็เป็นเป็นราชาคณะชัน้นธรรมและเจ้าคุณพรมก็เป็นราชาคณะชัน้นธรรมคือที่ประทับดิโลกมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกคือคนมาจากไหนไม่รู้ขึ้นมาไหว้กันเนี่ยมันนั่นไปนหมดหลย ก็นั่งนึกเองเมื่อไโยมโยมจะเลิกไหวติบ่นนานแล้วก็แล้วเนี่ยปรากฏว่าอาศัยที่เราสนใจโยมซึ่งมาไหวอยู่เนี่ยเรากต้องกล่าวอนโมทนาโมทนาสาธุอ ะ, ะอะไรต่างๆก็พอสมควรนะฮะปรากฏว่าอีกสามท่านหลบออกหมดแล้วพอหันไปเจอสามท่านหายไปเราก็นั่งให้เขาไหวอยู่คนเดียวโอ้โหว่าจะหมดคนเนี่ย ก็เรียกว่าเกือบสามชั่วโมงแล้วก็นึกค็กกขำๆอย่างเงี้ยว่าโอ้ที่จริงคนนับถือมากเลยมันมันก็ไม่ค่อยดีนะมันสูญเสียอิสรภาพตอนเราเห็นว่าพวกพระดังๆนี่จะมีปัญหาเรื่องช่องท้องเพราะการขับถ่ายเนี่ยไม่เป็นเวลาแล้วก็ใช้ยาบด้นั่งนานเกินไป ไอบทอื่นไม่ค่อยได้ใช้ก็ใช้เฉพออาะไอเดียบทนั่งบางครั้งบางคราวจนถึงก็เครียดไปเลยก็มีบนพระเทวทัตนเนี่ยเราเห็นได้ว่าตัวหลักการสำคัญเนี่ยต้องต้องคิดมากก็คือระบบ ก, การคิดความคิดอย่าได้บอกบอกไว้อยู่เสมอว่าผลสุดท้ายเนี่ยคุณคิดยังไง บัานก่อนก็มีวิทยากรเป็นปริยาเอกสองคนนะรปรยาโทค น, นเป็นระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็นี้วันไปออกรายการวิทยุอโทรทัศน์เขาก็สอบถามถึงปัญหาธรรมะกับการเมืองการเมืองกับธรรม ะ, โ ด, ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระบบประชาธิปไตย แล้วก็บอกเขาไปว่าคือถ้าจริงๆเนี่ยถ้าถ้าคาระกรดเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันมีอยู่กฎเกณฑ์เหล่านี้มันเป็นบัญญัติเฉยๆแต่ว่าเป็นกติกาที่ตกลงกันว่าเมื่อบทบัญญัติอย่างนี้ยังมีอยู่เนี่ยเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละอย่าทำให้เป็นสองมาตรฐานไม่ใช่ว่า พอเห็นว่าตนเองจะชนะก็ยอมรับกกอต อ, อย่างนี้สกศเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองคงจะชนะก็ยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งของกกตแต่พอเห็นว่าตนจะไม่ชนะสสก็ต่อต้านกรกตให้กกตลาออกในแง่ปฏิบัติเนี่ยทุกคนรู้หมด การเลือกตั้งเนี่ยก ก, กตมันคุมอยู่ส่วนยอดมันไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเป็นดูที่กูหาอะไรแต่ไรเราแล้วไม่มีสิทธิ์ยสั่งการอะไรให้ใครเลือกใครที่ไหนอย่างไรนั่นก็แสดงว่าเราก็ไม่มีมาตรฐานะถ้าคุณไปเสษคุณต้องไปเสษหมดถ้าคุณไปไปเลือกถ้าฉันพอใจฉันก็อย่างอย่างความคิดแบบที่าคณะขาเนี่ย ดิการณ์นนข่ามาเสนอพระพุทธเจ้าบอกวา่าแต่ประมาทสำนาคนโคดมก็พเจ้าเห็นว่าสิ่งที่ปวงควรแก่ข้าพเจ้าก็พระเจ้าชอบใจทั้งหมดสิ่งใดไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าเจ้าไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นแม้ความเห็นของท่านเองก็ต้องไม่ขวดแก่ท่านท่านก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของท่านด้วย พอไรเพราะท่านพูดคำว่าทั้งปวงทั้งหมดไอ้ทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยความเห็นของท่านก็ติดเข้าไปในคำว่าทั้งปวงทั้งหมดด้วยเราเห็นว่าเรื่องความคิดนิดเดียวนำไปสู่ปัญหาเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าคิดผิดครั้งเดียวเนี่ยแล้วไม่มีโอกาสกลับตัวเลยซึ่งตัวนี้เราต้องถือเป็นบทเรียนมากๆ เหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ในบ้านเมืองเรามีเยอะที่ว่าตัดใจตัดสินใจผิดครั้งเดียวเนี่ยแก้ไม่ทันนะ่ะตายไปก่อนแล้วก็ทิ้งเป็นมรดกบาปเอาไว้ให้ลูกหลานเดีอยวกาสต่อไปผลพระเทวทัตเนี่ยก็จากจุดเนี้ยในที่สุดตั้งวางแผนเตลิดเข้าป่าเลยคิดว่า การที่ประชาชนให้การยกย่องนับถืออย่างเนี้ถ้าเราเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทา่านก็เข้าใจผิดแล้วว่าประเด็นของการเป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ตําแหน่งแต่งตั้งแต่ว่าเป็นผลมาจากความเพียรพยายามการสะสมบารมีมาเลยเลอก็คิดจะแย่งตําแหน่งพระพุทธเจ้านั่นเองไหมเรื่องคิดผิดอ่ะพอคิดผิดก็ทําผิดก็พูดผิด ก็ผิดไปเป็นแถวไปจตใจใจความมก็อยู่ที่จิตแต่ที่ท่านแสดงว่าทำต้องบวงลมรวมลว ง, ล ง, ลงที่จิตดวงเดียวขณะมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อต่อมาท่านก็ไปหลอกลวงพระเจ้าชาติแต่ศัตรูจนยุยงให้พระเจ้าศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสาร เพอจะเป็นกษัตริย์ในกรุงราชชุกฤครองแคว้นมคตอังคกากรรมคตจะเองแล้วท่านเองก็จะเป็นพระพุทธเจ้าตอนท่านไปเนี่ยท่านไปด้วยฤทธิ์นะและ้วในรมิตัวเป็นราชกุมารมีอัสรพิษพันคอก็แบบพระศิวะของความเชื่อของพวกอารยันนะพวกเขาเรียกภารตะนะที่จริงเขาเรียกภารตะ เชื่อมานานแล้วตัวนก็คือพวกอินเดียพวกนับถือฮินดูก็ส่วนมากก็จะเชื่อพระศิวะเดี๋ยวนี้บางไทยเราก็เชื่อเยอะเนะเรื่องแบบนี้เทวดามาเยอะมากแปลกคือแทนที่คนจะไปมองวิเคราะห์ที่องค์ธรรมที่หลักธรรมมันใกล้ๆกับหมุนโลกกลับไปหายุคของนับถือเทพเจ้าเบื้องบน จะยกจำถือเทพเจ้าเบื้องบนเนี่ยมันนานมากนะครับมันผ่านมาก็ประมาณสักไม่น้อยกว่าสี่พปีอะ่ะก็แปลขอศาสนาพุทธศัตรูมาพระพุทธศาสนรพ ม, มันก็จบแล้วอะ่ะมันไม่มีความรู้อื่นไปอย่างที่เคยเล่าให้ท่านฟังฟังในรายการเนี่ยว่ามาทำหนังสือ เรื่องการบรหิหารการจัดการองค์กรของพระพุทธศาสนาพอเรามองไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะองค์กรทั้งหลายช่นสมมติว่าการเมืองเนี่ยการเมืองก็คือเรื่องของคุณธรรมเป็นการปฏิบัติงานแนวอภิบาลซึ่งเราใช้คำขวัญอะไรก็ได้ ใช้คำขวัญว่าบำบัดทุกบารุงสุขก็ได้หรือโดยเสด็จพระปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยทางเพื่อประโยชน์สุแขแห่งมาชนชาวสยามก็ได้เอาประโยคเดียวไม่ต้องเอายาวหรอกท่านนั้นแหละพอแล้วหรือว่าเอาหลักที่พระเจ้าทรงส่งพระสาวกไปเผยแผ่ศาสนาสร้างองค์กรนะ และบริหารองค์กรในกจัดการองค์กรและพัฒนาองค์กรโดยประโยชน์สั้นๆเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่นชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่นชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลพเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นคือนินโรศสัจกับมังคสั์ ทรงแสดงธรรมงานในเบื้องต้นทากลางในที่สุดนะั่นคือมรรคสัจเพราะนั้นเราจะเห็นว่าที่จริงการบริหารทั้งหลายในยมันเป็นนิโรธสัจกับมรรคสัจมันไม่จะสมบูรณ์หรอกมันอยู่ระดับของศีลสิกขาเขาเรียกว่าระดับศีลธรรมจัญญาเพราะว่าถ้าขึ้นเป็นอริยะแล้วนี่มันไม่ต้องบริหาร เป็นการบริหารที่ไม่ต้องบริหารเป็นการปกครองโดยไม่ต้องปกครองเพราะแต่ละค น, นมีปัญญารักษาตนได้หมดแล้วมีเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเพราะทำบริหารตัวเองได้แต่ปกครองรเรียงได้ดังนั้นถ้าเราจับประเด็นได้นมันก็ไม่ได้รุงรังอะไรมากมาย ตอนก็เรียบเรียงไปเรียบเรียงมาก็มาสรุปสรุปห้เห็นคือต้องการจะเห็นคือพยายามให้นักศึกษาได้คิดอ่ะแล้วก็อธิบายให้เธอคิดครั้งละประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งไปคิดถึงอเดียสัตว์อ่ะแล้วก็เน้นไปที่มรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์โดยเน้นจริงๆคือเน้นที่มรรคสัตว์ ไปรสชาติมันเป็นผลนะฮะเหมือนกินอาหารและอิ่มเนี่ยไม่ต้องมายุ่ ง, งอามอิ่มเองกินกินก็ไปก็แล้วกันตอนนี้ก็พยายามที่จะคุยกับเด็กไปบรรยายตามมหาจลัยตามอะไรก็ระดับนักศึกษานะฮะจะเป็นพระเป็นนักศึกษาก็ตากคือพยายามให้คิดให้เธอคิดถึงธรรมชาติกับสังคมในเสิงที่เป็นรูปธรรมแล้วเธอคิดได้ แล้วกำลังรนแรงให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยออมันไม่มีพรมแดนโดยธรรมชาติเราเป็นส่วนย่อยของดินน้ำลงไฟอากาศดินน้ำลงไฟอากาศมันต่อกับทั้งโลกเลยแล้วก็เป็นส่วนทวนของเราเองมันก็ไปเชื่อมโยง ก, กับดิ น, นํำลงไฟอากาศข้างนอกเราขาดอากาศบางอย่างขาดธาตุบางอย่างโดยเฉพาะธาตุดินเนี่ย ถ้าเราไม่มีที่ดินเป็นที่ยืนอยู่เวนที่นั่งอยู่เป็นที่นอนอยู่เราอจจะนั่งบนอะไรก็ไม่รู้แต่ไอ้สิ่งนั้นมันอยู่บนดินแล้วถ้าเกิดว่าถ้าดินไม่รองรับเราสักนาทีวินาทีเดียวเนี่ยเราก็หลุดโลกไปไหนก็ไม่รู้เพื่อสำนึกถึงคุณธรรมชาติ้วถทำไมเห็นว่าข้อพระบาสมีเน็จพระเจ้าอยู่ที่เด่นที่ป่าที่ดินที่ ulator, ท damit, ท clarity, น้าที่ <sim. S 1> มนุษย์มันก็จบแล้ว ธรรมชาติกับสังคมมันก็จบแล้วคือทํำยังไงว่าโดยย้ายรุงรังอ่ะแต่เข้าถึงอุดมการณ์ของเรื่องเหล่านั้นที่พยายามยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังสังเกตเรื่องศีลศีลสี่สข้อนะไม่ค่อยเน้นห้าข้อแต่ละาคเน้นที่สี่ข้อเนี่ยที่เปนเรื่องยุ่งในมือคืออยู่ที่สี่ข้อแต่เวลนี้มันยุ่งหมดอข้อที่ห้าก็ยุ่งมากเลยอย่าบ้ามาเยอะ ยาเสพติดต่างๆมาเยอะเหลือเกินจนไม่รู้จะแก้ไข ย, ยังไงรัฐบาลก็ถูกเตะตัดขาจะเดินก็ร้องกระเเพงทำงานอะไรได้ไม่เต็มที่สั่งการอะไรได้ไม่เต็มที่เป็นการเปิดโอกาสให้พวกทุจริตนี่ยคือขนองกันเป็นการใหญ่นั่นคืออะไรคือเราไม่ครองแผ่นดินโดยธรรมเราไม่ครองชีวิตโดยธรรม แต่แต่ละคนเนี่ใช้หลักการตัวนี้ยสแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงจริงๆสแสดงสิครองชีวิตโดยธรรมดูใครเป็นต้นแบบดูในหลวงคุณชื่นชมในหลวงอยู่ก็ดูที่ในหลวงนั่นแหละครองชีวิตโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวประโยชน์สุขของพ่อของแม่เอาเอาเอาเอาในแวดวงครอบครอบครัวได้ก่อนเั้นทั้งหมดมันจริงอยู่ที่ความคิด พระเทวทัตท่าคิดผิดแล้วก็ตัเริ่มทำผิดะ่ะทำจนพระเจ้าชาตรูไปทำปิตุฆาตที่จริงท่านเองก็เป็นประราชิกนะพระช้าคนอื่นได้ฆ่าคนอื่นตายาบาปเยอะพระเทวทัตเนี่ยเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าแกเกิดมาไม่กี่วันแกทำบาปได้เยอะเลยแล้วก็จ้างนายขําหมั่งธนูไปยิงพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็เสด็จไปโปรดนายขมังธนูเสียแล้วที่ขำ้วยความคิดของท่านเนี่ยเออคนคนคนก็ทําทุทธิตดี่มันโง่นะฮะจริงๆมันเกิดมันาจากโมฮะไม่ได้เกิดมันจากปัญญามันเกิดมาากโมหะมันเป็นมิจฉาสังกัปปะคือคิดผิดแล้วก็มิจฉาสติระลึกผิดแล้วก็มิจฉาสมาธิตั้งจิตไว้ชิต แล้วพยายามก็ผิดและความเห็นก็ผิดเลยแกว่งเลยออกเละเข้าป่าไปเลยท่านเราจะเห็นว่าท่านท่านท่านน่าจะจะคิดว่ามันดีกว่านั้นแ่ะท่านจ้างนายขมังธนูคนแรกเนี่ยให้ไปยิงพระพุทธเจ้าหรือจ้างอีกสองคนให้ไปฆ่านายนายขมังธนูหนึ่งคน จ้างนายขมังธนูอีกสี่คนค่าสองคนจ้างอีกแปดคนค่าสี่คนบอกให้ทํำไมมันยุ่งยากทัก้งนาเนี่ยแล้วท่านไปรออยู่ตอนปลายนะเพื่อจะฆ่าคนอีกแปดคนเออท่านคิดชอบคนดีพอท่านสามารถฆ่าคนได้ท่านทําไมไม่ฆ่านายขมังธนูคนนั้นเลยล่ะพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกอภิษสริระ คือใครไม่สามารถจะเอาพระโลหิตของพระองค์ให้ออกจากพระวรกายแม้แต่หยดเดียวพอเรียกออกพอมาแรงวันกินอิ่มเนี่ยออกมาไม่ได้แล้วมาถึงจุดหนึ่งท่านจึงแค้นไงตอนนี้รู้สึกจะหลังจะปล่อยช้างนาลาคิริให้แทงแล้วไม่ใช่ก่อนก่อนเพราะว่าตอนช่างนาลาคิริให้แทงเนี่ยชาวบ้านก็เห็นพฤติกรรม ขึ้นไปแอบอยู่บนภูเขาตอนพระเจ้าเสด็จขึ้นไปภูเขาขิจ ก, กุฏแต่ก็กลิ้งหินมาให้กระทบพระบาทจนหอพระลุิตัว น, นี้ที่จริงทำให้เราเห็นเหตุการณ์อะไรหลายอย่างคือด้วยความกรุณาต่อพระเทวทัตเพราะการกลิ้งหินคราวนั้นไม่เกิดผลอะไรเลยเนี่ย เทวทัตต้องเจ็บใจจนกระอักโลหิตตายแล้วจะอาฆาตบ้าร้ายพระพุทธเจ้าปะพระพุทธเจ้าก็ปล่อยสะเก็ดหินเล็กๆเนี่ยมากระทบพระบาทนิดเนี่ยพอห่อไปโลหิตพอแดงๆนะฮะพอแดงๆช้ำๆพระภิกษุก็นำพระพุทธเจ้าขึ้นขึ้นขานหามไปขึ้นขึ้นทีน่หามกงจะทำกันในตรงนั้นเนี่ย แล้วไปประทับที่มัทธากุติมฤุกขายาวันมัธากุติมฤุกขายาวัากน ก, าาวก็อีกแหละมันก็สืบเนื่องมาจากตอนสมัยชาติตรูกุมารยังไม่ประสูตรคือโหรทํานายเนื่องจากว่าพระนางเบเทหิหรือโกสนเทวีเนี่ยท่านท่านท่านแพ้ท้องแปลกก็ อ, อยากดื่มเลือดจาก พระสอของขอ ง, ของไม่ใช่จากพระกรนะฮะจากพระกรของพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เห็นว่าเป็นความคิดพิกลก็เลยไม่กล้าบอกเลยพายผอมพระเจ้าพิมพิสารก็รับสั่งถามท่านก็ไม่ไปยอมไม่ยอมบอกท่านก็พยายามพระเจ้าพิมพิสารมาทั้งปลอบทั้งขู่นะให้บอกพอบอกพระเจ้าพิมพิสารก็เอามีดแทงเลือดให้เลยให้เจเบย ก็าหายแพ้ท้องแต่ว่าโขนทํานายว่าเด็กคนเนี้จะทําปี่ตุกข่จะฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าปิมพิสารก็เป็นพระโสดาบันนะนั่นในคิดเรื่องเงี้ยมาเรื่องเล็กมากคือที่จริงการฆ่าเนี่ยคือเขาฆ่าหรือไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่แล้วไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องฆ่าไม่ฆ่าอยู่สบายๆไม่ต้องมึสนใจไม่หรอก คือบางทีเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยแล้วมาถามพระพระก็บอกมันธรมรมดาเจ็บป่วยเนี่ยคุณจะเอาอะไร ล, ล่ะมีคนก็โทรศัพท์มาถามบอกวันนี้ผมก็เป็นความดันเป็นเบาหวานจะทำยังไงดีรุปมมากแล้วบอกคุณยายทำยังไงอาตมา ก, ก็เป็นเป็นความดันต่าแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยเราเป็นเยอะสช่างมัน มาด้วยกันอยู่ด้วย ก, กันก็ไปด้วยกันเราตายมันก็ตายด้วยไม่ต้องกลัวมมนหรอกรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเพราะโรคมันก็เป็นอย่างงี้เนี่ยการแพทย์มันจะก้าวหน้ายัางไงก็ตามโรคมันอยู่3ประเภทอยู่ตลอดอะประเภทหนึ่งเนี่ยคือจะรักษาหรือไม่รักษาก็าหายประเภทที่สองต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หายประเภทที่สรักษาหรือไม่รักษาก็ตาย ให้แพทย์เก่งยังไงเนี่ยแพทย์ก็นอนอยู่ทโรงพยาบาลเยอะเลก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกันเรื่องหรอกเนี่ยมันก็ตายอยู่แล้วนะเทียงแต่ว่าคือถ้าอยู่โดยได้แบ่งเบาภาระของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ทำตนเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้เนี่ยมันก็น่าอยู่อยู่หรอกแต่ถ้ า, ถาบ่อนเบียน บ่อนเบียนชาติบ้านเมืองเนี่ยมันก็ไม่น่าอยู่หรอกแต่มันก็ต้องอยู่ก็ปล่อยเป็นไปตามกรรมเหมืพระเทศวทัตเนี่ยเราจะเห็นว่าคือคือความผิดตัวเองนี่มองไม่เห็นอันนี้คือจุดอย่างหนึ่งแต่ามาเคยสังเกตพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยสองพรรคเคยสังเกตมานาเะเอ้ะแปลกจริงๆกลุ่มคนกลุ่มนี้มันมาเกาะกลุ่มอยู่ได้ยังไง แกไม่เคยผิดเลยนะในชีวิตแกเนี่ยพักการเมืองสองพักเนี่ยไม่เคยบอกว่าตัวเองผิดเลยมีแต่คนอื่นผิดแกก็ประกาศสิทคนอื่นอยู่ตลอดแต่แกไม่เคยผิดเลยไม่เคยสารภาพความผิดไม่เคยขอขมาโทษเป็นเรื่องแปลกแต่จริงมันก็ทําให้คิดถึงเหรอเออไอ้โคมันก็ไปสู่สํานักโค อีกาก็ไปสู่สำนักอีกานกก็ไปสู่สำนักของนกลดยคนความคิดแบบนี้แกก็เกาะกลุ่มกันได้เพราะว่าทิฏฐิแกสามัญยตากันคือความเห็นมันเสมอกันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงแล้วก็เคยตั้งข้อสังเกตให้คนเขาฟังเขาบอกจริงเขาก็สังเกตมานานแล้วกันมันเป็นเป็นเป็นเรื่องแปลกที่ ก็ไม่ใช่แปลกนะะคือใจมันมืดบอดแต่เข้าใจว่าตัวเองดีเป็นคนหลงตัวเองเนี่ยพระเทวทัตจะเหมือนกันเลยคือพระเทวทัตท่านไม่ผิดแต่ทุกอย่างท่านผิดหมดเลยตลอดเส้นทางของท่านนะท่านผิดหมดเลยไม่ใช่เราว่าผิดแต่ว่าวินัยท่านก็ผิดนะวินัยว่าการกระทำอย่างนั้นแหละมันผิด แล้วก็ธรรมะก็บอกว่าผิดไม่ใช่เราว่าเองก็เมื่อวันศุกร์ที่พฤศกายี่สิบนะยี่สิเอ็ดนะฮยี่บเอ็ดยบเอ็ดกรกฎาคมเป็นบรรยายที่กรีสติกาเรื่องท่าทีที่ถูกต้องคือหมายความว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าเรา เราใช้มารฐานเนี่ยมันมีมาสหมดเลยในโลกนี้มันมีมาสหมดแลแต่เราไม่อยอมใช้มารฐานเราใช้ความถูกใจแต่แทนความถูกต้องอย่า ง, นาง เ, าาเนี้ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยนะท่านใช้ความถูกตายถูกใจ่องท่านใจ่องท่านก็คือว่าหมายความว่าเมื่อท่านไปในที่ใดนี่คนทั้งหลายต้องมาห้อมล้อมท่านห้ามห้อมล้อมคนอื่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคนห้อมล้อมมากเียมันได้อะไร ในความคิดเหล่านี้เราจะเห็นว่าแนวเทวนิยมเนี่ยมาอ่านคำภีรของศาสนาเทวนิยมที่เราก็นึกขำว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่คิดกันบ้างพระผู้เป็นเจ้าสั่งบริวารให้สั่งสอนประชาชนให้มารู้จักเราให้มาเคารพนับถือเราให้มาบํารุงบําเรือเราไอ้เราเนี่ยทำไมไมันใหญ่โตขนาดนั้นอะ ประชากรโลกมันเป็นหลายร้อยหลายพันล้านนั่นนะฮะทีนี้ก็เท่าไรแล้วหกพันกว่าล้านแล้วพระเทวดาษอีกต่อไปก็ไม่รู้ไอ้ทำไมต้องเป็นป็นปลือกคนคนเดียวได้บางทีตรงนี้มันก็เหมือนกับพระเทวทัตเลยแต่คนต้องการมากกว่าพระเทวทัตตอนนั่นเองพระเทวทัตต้องการเป็นพระพุทธเจ้า รงการมีคนหอ้อมร้อมไปไหนมาไหนในหอ้อมร้อมพระเจ้าบอกว่าลักษณะของคนผ่านแต่ว่าเน้นที่เทศสอนพระสุธรรมนะฮะลักษณะของพิสูจนผ่านมันมีอยู่เจ็ดประการสวนสแสดงเจ็ดประการหนึ่งก็คืออะไรคุณความดีความรู้ความสามารถฝีมือผลงานอะไรก็ตามที่ตัวเองไม่มีอะ แต่คนอื่นคิดว่าตัวเองมีแล้วก็ให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าในวัดเนี่ยฉันใหญ่ที่สุดในวัดเนี่ยชั้นหนเลยอวาเสสุจะอิสรยังเป็นใหญ่ในวัดปูชาปะระกุเลสุจะคือสกุลทั้งหลายเนี่ยต้องมาให้การเคารพนับถือสักการะบูชาเราก็นึกว่าเอเอาไปทําอะไร เอาไปทําอะไรสมมติว่าสมมติพระองค์นะมีโยมอุปถาพอสองสามคนมันเยอะแล้วนะถ้าว่าโยมเหล่านั้นแกอุปถาแกดูแลใจใส่แล้วก็ยุ่งนะฮะสองสามคนอย่างยันตรานั่นแหละมีปัญหาประโยมอุปถามากเกินไปผมมีคนก็มาบอกข่าวแตมาเรื่องยันตร์ประมาบอกไม่มีอะไรหลอกเด็กมันแย่งตุ๊กตากัน เรารู้ข่าวมานานแล้ว ม, มันมันมันแย่งกันเป็นเจ้าของอ่ะ้ี น, นี้คือคือคือเราจะเห็นว่าเอาก็จริงเนี่ยมันไม่ได้อะไรแล้วมันเป็นบั่นทอนภารกิจที่เราจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นพระแต่เราต้องการคนห้อมล้อมเนี่ยเราต้องสึกไปเป็นขราวา่และไปเล่นการเมืองปัญหาว่าเอาไปทำอะไระเห็นไหมว่าพวกนี้เป็นโมหะโลภะโมหะโลภะโมหะโลภะโมหะยิ่งโลภยิ่งโง่ แล้วก็ภารกิจทั้งหลายเนี่ยมาเมวะกตมันยันโตมาความว่ากิจทั้งหลายต่างๆภายในวัดเนี่ยใครทำก็ช่างอ่ะแต่ให้ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าฉันทําทั้งขาราเหัดและก็บรรพิตเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ฉันทําแล้วก็คนทั้งหลายนั้นให้อยู่ในการควบคุมของท่านทั้งหมดสมมติว่าได้จริงเนี่ย ได้จริงแล้วเาไปทำอะไรมันไม่ได้อะไรเลยด้วยความสูญเปล่าของเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะบริหารเวลาให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตัวเองวันนี้แม่แต้จะไปสอนนักศึกษาเนี่ยมายังบอกบอกเขาเตือนเขาเมนูลองคิดดูนะที่เราฟังนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังแล้ว1งชั่วโมงเนี้มีราคา แต่ถ้าเราไม่ตัง้งใจฟังนี่หนึ่งชั่วโมงนี้มันทำเราแก่ไปหนึ่งชั่วโมงครูผู้สอนก็แก่ไปหนึ่งชั่วโมงเธอก็แก่ไปหนึ่งชั่วโมงแต่หนึ่งชั่วโมงที่หายไปเนี่ยบางคนมันได้สาระบางคนไม่ได้สาระเสียดายแก่เปล่าเปล่าหายใจทิ้งหาใจคว้างเลยตั้งหนึ่งชั่วโมง ไ, ไม่ได้ส า, าระอะไรเลยกาสอนเด็กเนี Legend, ้ยเด็กหนุ่มเด็กสาวอายุสิบเก้ายี่สิบยี่สิบแต่แต่เนี้ยนะระดับมหาวิทยาลัยปีหนึ่งปีเอ่อปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แต่แต่เนี่ย ก็ประมาณทั้งยี่สิบสองลงมานอกจากบางคนที่เรียนช้าไปหน่อยคือพยายามให้ให้ให้เด็กได้คิดอ่ะวัาที่เธอสนุกสนานเต้นกันหญิงยังยังยงอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมมาเธอแก่ไปตั้งแก่เปล่าเปล่านะไม่ได้สาระอะไรเลยมันทีตั้งเจ็ดแปดชั่วโมงแม้แต่ว่างานบางอย่างเวลาเนี้ยพอพอแก่เมืนอเรคิดมากแล้วนะฮะเพราะอายุเรามันน้อยอ่ะ อายุราข้าหน้ามันน้อยแล้วเราจะตายเมื่อไรเรายังไม่รู้เลยบังที่เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนั่งรถไปสามชั่วโมงไปถึงไปอยู่ตรงนั้นบรรยายสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับมาอีกสามชั่วโมงก็อาจะอาบน้ําอาบท่าได้แล้วโอ้มันกินเวลาไปเยอะเลยเป็นตั้งแก่เราเปล่าอีกบุญรักต้งนาน แก่วันหกชั่วโมงไม่ได้เลยเพราะกัวิธีก็พอทาได้ก็คือนั่งนั่งคิดธรรมะไปบ้างนั่งภาวนาไปบ้างอะไรต่อไรตาทำอย่างอยู่นันไม่ได้พระเทวทัตท่านท่านคิดจะครอบงำหมดทุกอย่างเป็นความคิดของคนประเภทที่แบกโลกอะหมายความว่าโอ้ไอ้คนนั่นก็ควควรจะ เคารพเราควรจะนับถือเราควรจะบูชาเราอะไรก็เรามันเรามันไม่มีแล้วถ้าไปยุ่งกับเรามากเกินไปเเห้งไหว่าทั้งพระเจ้าชาตัตรูพระเจ้าศัตรูนั้นท่านโง่ถูกกลอมพิจนหลงเราจนไปทำลายพ่อเลยแล้วก็เม่รู้สึกว่าเราฆ่าพ่อมันก็เปทุกอยู่ตลอดชีวิตของท่านเดี๋ยวท่าเดงก็มีลักษณะอย่างนี้น ทีนี้เมื่อพระหามไปพระเจ้าไปประทับที่มัตรากุจิมฤคทิยัวันเนี่ยพระตั้งกองรักขาเลยกลัวพระเทวทัตจะย้อนกลับมาทำอันตรายหรวพ่อตเจ้าพรเจ้าไยล่องค์หมดอันนี้ ค, คือเราจะเห็นว่าพระราสด า, า, าเรานีนไม่มีอะไรเพื่อพระองค์เลย เคยคุยเรื่องเนี้ยเมื่อก่อนสมเด็จพระสังฆราชตอนท่านอมา ม, มาอยู่ในท่านเป็นพระธรรมคุณาภรณ์แล้วท่านเป็นสาาสนโสรผลแล้วท่านเป็นสมเด็จพระญาณสังวรอย่างสิบปีนะฮะเพราะเราก็มีเวลาคุยเยอะคุยธรรมะ ก, กันเยอะพอเป็นทั้งราชเนี่ยไม่ได้ข่าเฝ้าเกท่านก็อยู่สูงเกินไปเราก็อยากจะรบกวนท่านแต่ก็เด็กก็คุยธรรมะ ก, กัน เราคล้องใจเราติดใจเราสงสัยบางทีมันมันเราคิดจนจนเราตกผลึกของเราแต่เราไม่แน่ใจมันถูกหรือเปล่านี่ที่เราคิดแล้วอย่าไปถามไปถามสนใจท่านกระตอบตอบได้เร็วนะฮะบางอย่างแต่นั้นเองที่หยุดหยุดตรวจสอบเอกสารากร่มื่ก่อนก็มีคนที่เราปรึกษาได้เยอะอย่างอาจารย์สุชีพอยู่เนี่ยดึกดื่นเที่ยงคืนบางทีตีหนึ่งยังโทรศรัพท์คุยจะ ม, มากกัน ตอนนี้ก็คนรุ่นนั้นมันก็หายหมดแล้วคนรุ่นใหม่นี่คือรู้สึกว่าหลุมหัวม่ไงล่ะเขาถามแล้วแกนึกไม่ค่ได้เพราะพระเหล่านี้ก็เหมือนกันแหละคือว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอ่ะพูะุทธเจ้าทำไมต้องคุ้มครองพระพุทธเจ้ามีหน้าที่คุ้มครองเราด้วยสอนธรรมะให้เราปฏิบัติไม่ต้องคุ้มครองพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นอภัทัศรีระคนอย่างนี้ไม่มีใครทําอันตรายได้ไม่ต้องยุ่งเพราะมัยุ่งก็รำคาญนะแล้วก็ตัวเองก็เสียเวลาไปนั่งแก่เปล่าๆอีกเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเคยเกิดมันกรอนตอนหลังพระเจ้าปรงประชนนี้สังขารนะฮะอีกสามเดือนไปจากเพนเดือนเดือนสมไปถึงเพนเดือนหก็คือสมเดือนพระจะคอยเฝ้าดูแลพระเจ้าไล่ตะเพิดมาเลย บอกคุณต้องรีบทำหน้าที่ของคุณไม่ต้องมาดูแลสถาคดหรอกนี่ก็คือคือาศาสนาผู้เอนดูเราจึงมีพระพุทธภาษิตที่รับสั่งว่าผู้ใดจักพยาบาลเราให้พยาบาลภิกษุายแทนเราซึ่งโรวงรบาลสงศ ขึ้นเป็นตราไปเลยนะฮะขึ้นเป็นเป็นสุภาษิตเอาไว้ถามว่าทำไมจึงเกิดมัทธากุจิมัทธากุจิแปลว่าที่เหยียบคันนะฮะมัทธาก็คือเหยียบกุจิก็คือคันคือคันเนี่ยเมื่อพนางเวทีรู้ว่าลูกจะฆ่าพ่อเนี่ยแล้วขอทำแท้งพระเจ้าปิมสาลไม่ยอมเพราะเด็กจะไม่ได้ฆ่าแต่บอกเด็กจะไม่ได้ฆ่า ค่าฐานคามเป็น่นประไทยอะไรหรอกก็พระนางเวทีหิก็ไปที่จึงบอกกิจูดให้นางทาสีนี่ช่วยนวดท้องช่วยเหยียบท้องเ้วยขันมันมันตกแต่ว่าเด็กมันโตแล้วก็ก็ขันไม่ตกพวกนี้มันมันค่าไม่ตายเลยคนอย่างเงี้ยหัวแข็งค่าไม่ตาย มันเกิดมาเพื่อการนั้นปั้นพระเจ้าพิมพ์สารรู้ก็สั่งห้ามเลยทีเนี้ยตรงนี้จึงได้เรียกว่ามัทกุติแปลว่าที่เหยียบที่เหยียบคันต้องการจะให้คันมันตกไปแล้วก็ท่านที่ไปอินเดียนะฮะท่านที่ไปอินเดียมาก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้กับเชิงบุก ข, ขิจกูดอยู่ใกล้กับชีวกรรมพวัน ก็อยู่ภายในอคอกเขาคิวิปปบประชานี่คื อ, อคอกเขารงราชครึ๊บพระก็หามพระพุทธเจ้าไปอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็หมอชีวกทราบข่าวสแสดงว่าเมื่อก่อนงอยู่นอกเมืองนะ เพราะว่าหมอชีวกพอพอกยาถวายพระพุทธเจ้าแล้วแกเข้าเมืองไว้ไม่กี่ชั่วโมงะนี่ยมื่กี่ชั่วยาจะออกมาปรากฏว่าออกมาไม่ทันนะก็ปิดประตูเมืองท่านก็นอนกระสับกระส่ายเป็นห่วงพระพุทธเจ้ามากพระเจ้ารู้ความคิดด้วยพระญาณ น, นะเลยก็บอกประนน์บอกว่าผ้าออกแต่ยาออกเสียชีวกเขาเดือดร้อนก็ไม่สบายใจ พรพอพระอโนหเอาออกมันก็ไม่มีอะไรเพิ่นคําว่าโลหิตตุปรบาทเนี่ยของพระพุทธจเจ้าแล้วมันช้าเลือดนิดเดียวไม่ใช่เลือดออกมานะช้าเลือดนิดเดียวเองแล้วก็ไปเดี๋ยวก็หายแล้วหมอชีวกก็เก่งทายาระยะสั้นแล้วก็หายทันทีพอนึกถึยากองหมอชีวกเนี่ยยังเสียดายวิชาการทั้งหลายในโลกเนี่ยมาคาการถ่ายทอด หมอชีวกเนี่ยต้องถือว่าในโลกพระพุทธศาสนานี่เป็นบรมครูแพทย์เลยนะฮะแกยิ่ยมจนขนาดว่าโรคริดสีดูงแกทายาทีเดียวหายอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะข้อเลือดเนี่ยโปะยาทีเดียวหายไลยแล้วขนาดผ่าตัดสมองนะฮะหมอชีวกเนี่ยผ่าตัดสมองได้โดยไม่ต้องวางยาสลบเกมของหมอสมัยนี้เยอะเลย คือเป็นปรมาจารย์แพทย์แต่แปลกที่ว่าเมนะื่อท่านสิ้นไปแล้วสิ้นเลยมันเหมือนกับนายแพทย์หูโตของนายสามก๊กจอยโถจับไปขังนะผลงานต่างๆก็ไม่ได้ช่วยช่วยโลกแลวมันหายไปไหนไม่รู้คงคงจะตายตามไปคือปัญหาเราจะรับปัญหาการเมืองเนี่ยบางทีมันก็ยุ่งนะ ยังบ้านเราในประวัติศาสตร์เนี่ยถูกบิดเบือนเยอเะเหตุผลทางการเมืองบางทีเขาเขียนไว้ในลักษณะให้รายป้ายสีบางทีเขียนไว้ในลักษณะที่ยกย่องเชิดชูเกินจริงมันก็เป็นเีลารมของมนุษย์หรือผู้ชนะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ตรงนี้จึงต้องการจะเน้นให้เห็นเรื่องระบบการคิดของพระเทวทัตน์เพระาะอไรเพราะเวลานี้คนคิดแนวนี้ยเยอะเลยไม่มองกลับข้อที่ตัวเองเอบเพองโทษคนอื่นด่าคนอื่นได้ตลอดเลยทุกเรื่องามาด่ามาเลยแม้แต่พระราชกิจสเดกายัางพูดจาในลักษณะไม่ชนพระราชกฤจสเกาแต่ไปชนกกต ยังนึกว่าเออคนพวกนี้มันเรียนหนังสือเนหากันมาอย่างไงมันเป็นป ร, ริญญาและถึงจุดหนึ่งแต่เขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกพระนะอยู่หัวเจ้าท่านนะเรียกพระน่ะมันพวกคนนี้มันคู่ควรแก่การเป็นพระน่ะเหรอนะสังคมเรามันชิ้นร้ายไม่ตอกเอาขนาดนั้นใช่แหละประเทศไทยมีประชากรนั่งหกสิบกว่าล้านเนี่ยเอาคนดีๆมาดูแลบ้านเมืองไม่ได้แหละ คนที่มันมีศีลธรรมอ่ะคุณไม่ต้องพูดเรื่องธรรมมาพิบานในเสียเวลาหลวงพูดไปตั้งนานแล้วเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยก็คือจักกวัติวัตคือราชาสังฆาคคือทศพิธราชธรรมตัวทศพิธราชธรรมนั่นแหละคือโดยธรรมโดยเห็นว่าถ้าเราเข้าใจทศพิธราชธรรมมาหลังนี้จะคุยจะคุยกับฝั่งกัค ข, ขีนะเพราะว่าเราไม่ได้มองไปที่ตัวจักกะวัติวัต กับราชาสังกหะก็วันหลังอาจจะอาจจะเอาเรื่องนี้มาแต่ว่าที่จริงก็ลงไว้ในหนังสือที่ว่าแล้วนะก็ตั้งใจให้ชื่อว่าสร้างเสริมสู่สุขสันต์หรือว่าเสริมสร้างสู่สุขสันต์ตรงนี้ของสงครามประเดชเนี่ยเท่าฟันเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัายศรีปทุมในวันนี้ขอุติไวได้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมตัวมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี